ตรัสเรียกสมมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าัญญยายของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือแต่ความจริงพรรนราชานีเหิงคนใช้ที่เป้าประตูเข้าใจว่าเป็นพญญยายของสมมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายในแก้วเจ็ดประการไม่มี แม่แต่คุณใช้เทก็ทนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาย่านั้นพระราชาจึไมีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจึงได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระงเพื่เดียวค่ะพระราชาจึงทรงตัดถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหน แมหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าข่าพระราชาพร้อมไม่ได้อมัยค้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมา ลำดับนั้นธัมมหาสถีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรปริยาของตนจึงไปสู่สนักคุณนานแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใด ในวั น, นว่าสามีประเทระภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามพัญญาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชาไหมสำหรับนางผู้เป็นพัญญากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายที่นี้กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชา เป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคําว่าพระเจ้าแผ่นดินว่ามีความสุขซะจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกก็เพราว่าไอ ก, การที่จะเก็บภาษีอก่อน <c oughs> แก่คนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีขุมทรัพย์สำหรับแจกชาวบ้าน มีต้นกระลประพฤกษ์ที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเนงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนๆสกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บเปอร์สีเข้าสักวันหนึ่งล้านสอง0้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชา เมื่อสามีเก็ถามว่าคนที่มีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ได้ถามเนะี่ยพอสามีเขาบอกตามมันลายไปนานยิงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็ริงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่เข้มชื่ออยู่บาลีแมว่ายัางไงเนอะมันขาดขัดจริงจริง นี่กล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ดีนอผู้เราทําบุญทํากรรมทั้งหลายไว้ชื่อว่าไม่มีศรัทธาแม้สำนวนของท่านนี้กลุ่มจิงเึงสมบัติเองเกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนู้ว่าเธอบ่น ว่าเรานี่การทำบุญไว้มันยังดีไม่พอนี่ถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่ม่อันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทำบุญในคราวนั้นเพียงจะอธิฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนำไปได้เพราะแก้วมณีนนดวงนั้นเป็นสำคัญเป็นเหตุแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ทีฐามว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีการทีิฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองผู้ครองโลกเว้นอ น, นว่าในการนั้นเธอรำพันต่อไปปราทานจากเป็นเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทายของเธอ ที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลทานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในพระในฐานะสำหรับการให้ทานนี่เป็นผลทานนั้นนล้นางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทำอย่างไรสามีเขาหล่อนยังเอาเอาพัดการตาลมาพัดถวายพระราชาสามีบอกกิเธอ ไปพัดเที่การทํำในตาลเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางเถือไฟก้านตาลมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูรสาสําหรับพวกพระราชากระทบในตาเขานานเอาเขาแล้วลมที่มีกลิ่นน่ย ที่ผ้าเราชาเนีายชามากระทบในตานางเข้าไอเมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีระอองสําหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมันีตามพระมาลีจึงกล่าวว่าลําดับนั้นสายแห่งน้ําตาก็คือก็ไหลออกจากตาของนางราชาทอดเสนเห์นเรื่องการอย่างนั้นจึงตรัสถามกัตมหาเศรษฐีว่ากัตมหาเศรษฐี ถ้ามันดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอจะร้องให้เพราะกลัวว่าพรรายาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านย่มปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการในสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนางไม่ได้ร้องให้พระเจ้าข่า พระราชาจึงได้มีพระราชนำดับตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เทกัลางน้ำตาลไหลเพราพอะอะไรพระมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพน้ำตาของนางไหลออกแล้วพรกปิ่นแห่งภูษสาสำหรับพวกที่ได้พระเสียงของพระองค์โดยว่าพัญญาของข้าพระองค์นี้ ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนด้แสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจกประทับนั่งได้แสงสว่างแห่งประทีปตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตัดว่าถูกแล้วธรรมหาเศรษฐี ในพระราชฐานก็ก็ใช้เตกียงกันให้ใช้โคมไฟกันที่นี่เดี๋ยเขาไม่ใช้โคมไฟหรือยังไงแล้วมหาเศรษฐียิงกราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพถ้าเช่นนั้นเยียมเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งเดือแสงสว่างแห่งแก้วมณี แล้วก็ได้ได้ไ ว, ว้แก้วมณีมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรทอดพระเนตร เ, นเรื่องแกนเรือทอดพระเนตรเรื่องแล้วจัดว่าสมบัติโชติกานี่มากจริงๆนะนล้ก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกาก่อนเทระ ก, ก่อนนะ พอกินอ ง, งนี้ต่อมาถ้าเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเป็นนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีคุม้มทรัพย์ถึงสี่คุม้มทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกระดาษประพฤกคนอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองผ้าพรท่อสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้ เรื่อนของท่านก็รุนแล้วแต่ได้แก้วมนีแต่ต่อมากลับแลกับเป็นสาระหรันนี่แสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมาเนะี่ยมุ่ความเป็นอรหันต์เป็นสำคัญท่า น, นี้ฟังมาแล้วยังคงจำได้ว่าในกาลก่อนท่านกับพี่ชายทำไรอ้อย พี่ชายที่ฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดติวดาแล้วก็ขอเป็นอรหรันสําหรับท่านคนนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดติวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ํารวยมากแล้วก็เป็นอรหรันนี่ความสําคัญอยู่ที่การอดิฐานเป็นสําคัญ ดังนั้นเ ม, มื่อบรนดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีนิานทานธรรมทานธรมใหม่คนดีศีลธรรมใหม่คนดีภาวนาใหมา่ก็ดีทานธรมใหแปลว่า บ, บุญสมเด็จเอการให้ทานศีลธรามารมใหม่แปลว่า บ, บุญสมเด็จเอการรักษาศีลภาวนาใหม่แปลว่า บ, บุญสมเด็จเอการเจริญภาวนาเช่นสมถะภาวนาและมีศาสนาภาวนา เมื่อเสร็จจกการบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจดิษฐานไม่จะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกาเศรษฐีกับพัญญาเราก็คุยกันต่อไปคืออธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบ ส่านบารีกลาว่าบัดนี้เพื่อทราบอาการอุปัติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเทวมชีวะชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกาเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งนาดีตที่กลับมาเป็นโชติกาเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบ ตามพระรำบารีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุพกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระชา ด, ดิน ก, กน็แล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าช ด, ดินถ้าภาษาไทยเป็นกล่าวความว่าในกรุงพาราณสีได้มีทิดาของมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวย มารดาบินดา ห, หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีอยู่ในในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาเจ็ชั้นในการขันขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างให้ขังร้อยชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งแปลกจริงหนอกอา้าวว่าไปจยเพิ่งแปลกเว้ยท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทาอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูภายนอกอยู่ เกิดความรักกันมาเอาสิเมละนี่สวยมากสวยขัน้นเทวดารักจึงเข้าไวทานนต่านแล้วได้ทำความชมเชยเชยชิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธร น, นั้นนางก็ตั้งคันต่อการไม่นานนักเออเทวดานี้ก็แปลก แต่วิทยาธรจรระเรื่องวิทยดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ท ร, รงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะหอดได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนี่คงไม่ใช่เทวดา มีตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาทอนนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันห้าที่เต็มไม่ได้ความสุขประคนที่ไหนจะสวยกว่านาคา เพอานามฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื่อมสุขโปรภภายในกายสําหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสุขโปรโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวดาเขาไม่ย่อมมายุ่งเป็นอนุวิทยาธริน้ากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรองอภิญาแต่สามารถจะห่อเขินในอากาศได้อย่างอินเทวดา เลี้ยวก็เอาเรื่องที่อินเทวดามาเล่าซะไม่จบอกไปนึกขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้จึงกล่าวว่าคุณนายนี่มาอะไรกันใน ห, ห็นนายท้องโตขึ้นมานะ่ะตินางต่อก็บอกว่าข้อ น, นั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมช่นนี้อ้วน เจ้าอย่าบอกแกใครๆนะต่อจะนี้ไปจงปิดเป็นความลับจึงได้เป็นแล้วนางจงไปพูดนิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งด้วยเวลาการที่ล่วงไปประมาณสิบเดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำพจะนะมา ให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสางหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอาล่วสิแม่ละไอเจ้าเด็กคนนี้มีกรรมหนักแต่คงจะไม่หนัก นี่เป็นแม่ทองตั้งสิบเดือนเนะ่ไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช่คนเดียวเวลาคลอดก็คลอดง่ายก็คงจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำเออกอดีไม่กันมุกว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครๆครเขาถามว่านี่อะไร ย่าจึงบอกว่าพรีกรรมของคุณนายของฉันทำแก่สวดาหญิงคนใช้ก็ทำตามนั้นไอ้คว่าพรีกรรมหมายว่าเครื่องแก่บนต่อมาหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาเอาจิงแม่น้ำคงคานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสำหรับเลอยบาปเป็นสมัยนั้นและกำลังสมัยนี้ก็ใช้เหมือนกันในอินเดียเห็นพาจเจนะนั้น ผู้ําพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นจะเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะเมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็ก หญิงคนหนึ่งเห็นเด็กข้าหญิงคนหนึ่งบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภาชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉ้นกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันเอาละสิไม่เกิดทะเลาะ ก, กันนี้ตอนจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงนั่นสองนั่นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิจฉัยแล้ว จรแกจในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อาวมัดไม่สามารถจะวินิด้ใชได้ยิงได้ไปสู่สํานักของพระราชาพระราชาส่วนปรดับคํำของหญิงและสาวนั้นยิ่งตัดว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภ้าชนะเตือตัดว่าคนนี้เอาเด็กไปคนนี้เอาาชนะไป ก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถาคอุปถายิการนะเป็นผู้บํารุงพระมหากัจจายนะอุปถากไม่จะไปย่องเรียกว่าเมียนะอุปถากกขาแปลว่าผู้บํารุงเธอเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสนักของพระมหาเถระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรัง เพราะมนทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลายาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหววก็รุงรังโถ่ตั้งนานนี่พะกุนเนยในวันที่เด็กเกิดนั้นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติละเนี่กว่าฉดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเทระปิู่เรือนนั้น เพื่อจะบินบำบัดอุบาสิกาจึงมีมนพระเถระให้นางแล้วได้ถวายทพตาหารแก่พระคุณเจ้าองนี้ทําไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านพระหากัจยนะนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนมีศัสนาพ่ามหาเถระเห็นเด็กจริงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรือ พระบาสิกาก็กราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะนี่ฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวชก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเทระพระมหาเทระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปโปรดรู้ว่าบุญกรรมที่จะไว้ผลเป็นสมบัติ ของกรหัสคนเด็กคนนี้จะมีอยู่แล้วไม่หนอนี่เป็นอนาท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคน น, นี้นี่ยเวลากําลังที่เป็นฆราวาสอยู่เขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่เมื่เกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งมันก็ต้องเป็นกรรมยยอย่างใดอย่างหนึ่งยังเรื่องี้ว่าสัตว์ผู้มีบุญมากอยากได้เสวยสมบัติใหญ่ เด็กนี้ยังเล็กนักแม่ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เริงขะถากคนหนึ่งในกรุงตากศิลาขบถากคนนั้นไหว้พระเทระและและและ้วยืนอยู่เห็นเด็กนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือครรับพระเทระก็ตอบว่าเอออุมาศก เขาจากบวชแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักองคท่านก่อนนะเกาฝากเลี้ยงไว้ก่อนโนมาสกนั้นรับรั บ, รบว่า ด, ดีและขรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเป็นบุตรบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโ ต, ตมีความเจริญดังกล่าวว่าก่อสิ้นข้าของบุคคลของมาสุกนั้นเป็นของที่สั่งสมไวทั้งสิ้น วว ส, สิบสองปีมากจริงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนามารัพย์สินค้าท่างหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสิานค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึงเถอทรัพย์ชื่อว่ามีประมาณเท่า น, นี้แล้วจะให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แ ล, ล, ล, ล, ล้ว ก, ก, ก, ก็หลีกไปและไม่ต้องรู้เรื่องกัน มาลีสัมโนนท่านยุ่งจริงๆ จ, จ, จ, จะว่าท่านกันไม่ได้นะเราไม่ค่อยเข้าใจของท่านเป็นนาว่าบอกแจกของก็เด็กก็ลกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็ออ ก, กไปท่านให้แล้วท่านก็ไปเป็นล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้ราาักษาพระนครทําให้ชนผู้มีความต้องการด้วยวัตถุโดยที่สุดแม้สัต่ว่าพริกและผักชี ให้บนะใบหน้าไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมรวแล้วสิบสองปีหมดเดรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเนะี่ยเจ้าให้จิบหายใช่แล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้จิบหายท่าวเจ้าค่ะ ฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสินนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่นโน้นเป็นกบฎพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่ว่าบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้ยังได้ลูกสาวผู้เจริญวัยแล้วในเริงของตนแก่เขา สร้างพวกมุษุ์ว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แก่เขาเมื่อเรือนสเร็จแล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าบุปผกรรมของท่านท้าชดินนี้แปลกเกิดมาถูกเขาสาบเขาแช่งเขาไล่เขาไสเขาส่งลอยน้ำทิ้งไป แต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างไาในการก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้ พ, พ่ออะไรพ่อวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไม่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนันหล่ผู้รับฟัง